ยลอยอ่อนท่านสาธุชนพุทธบริษัทโอบาสกโอบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุ ก, ท, ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันสุกที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2553 <c oughs> เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเนื่องจากเป็นวันพระ <c oughs> วันธรรมรัตรสวนะัสดวันสะสมบุญบรารมีซึ่งเปรียบเหมือนสเสบียงเปรียบเหมือนเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและต่อการเดินทางวันนี้ก็เป็นเหมือนกับสถานีบริการเวลาที่ต้องเดินทางไกล ก็มีความจำเป็นที่จะต้องแวะตามสถานีบริการต่างๆเพื่อจะได้เติมน้ำนเติมน้ำมันเติมลมเติมน้ำและเติมอาหารเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปได้อย่างสะดวกราบรื่นและถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนากันอย่างปลอดภัย การมีวันพระนี้ก็เพื่อจุดประสงค์อันนี้เพราะจิตใจของพวกเรานี้ยังเดินทางกันอยู่ยังไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันก็คือที่ที่ให้แต่ความสุขกับเราที่ที่ปลอดภัยจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆ เราจึงต้องแวะตามสถานีบริการคือเราต้องเข้าวัดกันเป็นประจำอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่เราจะได้สะสมบุญบารมีที่เป็นสเสบียงที่เป็นน้ำมันที่จะพาให้ใจของเรานั้นได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่เราต้องการถ้าเราปราศจากสเสบียงปราศจากน้ำมันก็เหมือนกับรถยนต์ที่ปราศจากน้ำมันเมื่อเดินทางไปการทางพอน้ำมันหมดก็จะไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราจึงต้องมาบงเพ็ญบุญบรารมีกันจนกว่าเราจะบรรลุ ถึงมรรคผลนิพพานพอเราถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็เหมือนกับเราได้เดินถึงเดินทางถึงบ้านของเราแล้วบ้านที่มีทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ที่จะดูแลที่จะให้ความอบอุ่นให้ความสุขให้ความปลอดภัยแก่จิตใจของพวกเราในขณะนี้จิตใจของพวกเรายังว่าวุ่นขุนบัว ยังสุขยังทุกขยังดีใจยังเสียใจยังมีความหวาดภาวะมีความหวาดกลัวต่อภัยต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นก็ดีหรือที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุญบรารมีจะสามารถกําจัดให้หมดไปจากใจของเราได้เราถึงไม่ควรมองข้าม การสร้างบุญบรารมีนี้เริ่มต้นด้วยที่ทานบรารมีคือการให้ทานนี้หมายถึงให้สิ่งที่เรามีเหลือกินเ <c oughs> หลือใช้ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บสะสมเอาไว้ <c oughs> ก็ควรที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก <c oughs> เพื่อเขาจะได้รับความสุข และใจก็จะได้รับความสุขได้รับได้รับบารมีบารมีนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เป็นเพราะบารมีที่เราได้สะสมไว้ในอดีตแล้วก็บารมีนี้แหละเป็นเป็นเหตุที่ทำให้พวกเรามีความแตกต่างกัน เนื่องจากเราสะสมบารมีมาไม่เท่ากันนั่นเองผู้ที่สะสมบารมีมากก็จะมีบุญมีวาสนามากมีความสุขมีความเจริญมากผู้ที่สะสมบุญบารมีมาน้อยก็มีความสุขความเจริญน้อยมีบุญมีวาสนาน้อยดังในสุภาษิตที่ได้แสดงไว้ว่า แข่งรถแข่งเรือนั้นพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญบารมีนี้แข่งกันไม่ได้เพราะมันเป็นผลของเหตุคือบุญบารมีที่เราได้ทำกันมาในอดีตนั่นเองบางคนนี้เกิดมาแล้วก็สุขสบายไม่ลำบากเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีเกิดมามีสติปัญญา สามารถเรียนหนังสือจบปริญญาขั้นต่างๆได้บางคนที่ไม่มีวารมีก็เกิดมาในฐานะที่ไม่ค่อยดีเกิดมาในฐานะยากจนมีสติปัญญาไม่แหลมไม่เฉลาดไม่สามารถเรียนหนังสือได้ระดับปริญญา เวลาไปรรมาหากินหางานหาทองหางานทำก็ไม่สามารถหางานที่มีตำแหน่งดีๆมีเงินเนดือนดีๆได้เพราะนี่เกิดจากการไม่ได้สะสมบุญบารมีมานั่นเองบุญบารมีนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่สิบประการด้วยกัน ประการสำคัญก็คือฐานบารมีที่จะทำให้เรามีทรัพย์ในภายภาคหน้าไปเกิดแล้วเรื่องเงินทองนี้จะไม่ลำบากถ้าไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะการเงินที่ดี mm. ก็จะสามารถทำมาหากินห า, หาเงินหาทองได้อย่างสะดวกหรือจะมีผู้มาดูแลอุปถัมภ์ อาจจะเกิดในครอบครัวยากจนแต่เนื่องจากได้สะสมทานบารมีมามากก็จะได้พบสามีแรกๆพศภรรยาที่มีฐานะดีมีการเงินการถองที่ดีเลี้ยงดูตนหรือถ้าไม่มีก็จะมีรายได้ที่ดีที่เกิดจากการทำมาค้าขายขายดิบขายดีไม่ว่าจะทําธุรกิจ ชนิดใดก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้าเพราะเนื่องจากทานบารณีที่ได้สะสมมาในอดีตนั่นเองจึงควรจะบำเพ็ญทานกันอยู่เรื่อยๆทานนี้ก็ให้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นค า, ารวดหรือบันกระชิตคารวดก็คือญาติโยมผู้ครองเรือน บรรพชิตก็คือนัก บ, บวชทั้งหลายจะเป็นพระภิกษุก็ได้เป็นสัมมาณรก็ได้เป็นแม่ชีก็ได้ไม่จำเป็นบุคคลที่เราจะสงเคราะห์นี้สงเคราะห์ได้หมดแม้แต่เดรัจฉานเราก็สงเคราะห์ได้สงเคราะห์สุนัขเป็นต้นนี่เป็นเรียกว่าทานบารมี ทำแล้วก็จะสะสมไปเรื่อยๆเวลาที่เราไปเกิดในภายภาคหน้าเราจะมีทานบารมีนี้มาคอยรับรองเรามารับใช้เราทำให้เราไม่อดอยากขาดแคลนถึงแม้จะอาจจะไปตกทุกข์ได้ยากในบางครั้งบางเวลาแต่จะมีคู่ที่จะมา คอยดูแลอยู่เสมอซึ่งเป็นเหตุที่เราอาจจะไม่คาดฝันกันคิดว่าจะไม่รอดแล้วอยู่ดีๆก็จะมีคนมาช่วยเหลือเรานี่เป็นเรื่องของทานบารมีขอให้เราอย่าเสียดายทรัพย์เงินทองทั้งหลายต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาเราตายไปเราก็ไม่สามารถเอาเงินทองเหล่านี้ติดตัวเราไปได้แต่เราสามารถเอาทานบารมีติดตัวไปได้เราจึงควรเอาเงินทองนี้มาแปลงเป็นทานบารมีกันเพื่อที่เราจะได้มีทรัพย์รอยรอยู่ ภายภาคหน้าส่วนบารมีข้อที่สองคือศีลบารมีก็เป็นบารมีที่สำคัญเพราะศีลบารมีนี้จะเป็นผู้ป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในที่เราไม่ปรารถนากันไปเกิดในในภพชาติที่เราไม่ชอบไม่อยากได้กันเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้น ผู้ที่ไม่ได้เจริญศีลบารมีเวลาตายไปนี้จะต้องไปเกิดในอาบายในภพสี่ของอาบายก็คือเดราัชฉานเปรตอสุรกายและนรกจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมใช้หนี้ที่เกิดจากการไปเบียดเบียนผู้อื่นเช่นเกิดจากการลักทรัพย์ ประพุดผิดประเวณีพูดปดค่าผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิตเมื่อทำแล้วก็เป็นเหมือนนักโทษที่จะต้องถูกเจ้าหน้าที่จับไปขังไว้ในเรือนจำไปใช้โทษให้หมดก่อนเมื่อหมดแล้วถึงจะได้ออกมาจากอบายได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่ต่ำต้อยมีมีความยากจนมีความลำบากไม่มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าแต่ถ้ามีศีลบารมีคือรักษาศีลเป็นปกติศีลห้าอย่างที่เราได้สมาทานกันไปเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นการ แสดงเจตนารงเป็นการตั้งจิตตั้งใจเรียกว่าเป็นอธิฐานบาณีการตั้งใจนี้เป็นอธิฐานบาณีตั้งใจว่าจะรักษาสีถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราก็จะไม่ได้รักษาแต่พอเราได้ตั้งใจแล้วเราก็จะทำตาม ที่เราได้ตั้งใจเอาไว้อย่างวันนี้ญาติโยมตั้งใจจะมาวัดถึงได้มาวัดกันได้ถ้าไม่ได้ตั้งใจก็อาจจะมาไม่ถึงวัดเพราะอาจจะมีเรื่องอื่นมาชวนให้ไปก็ได้เช่นตื่นขึ้นมาอาจจะมีเพื่อนชวนให้ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยไม่ได้มาวัด แต่ถ้ามีอธิษฐานบารมีคือตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาสิงถึงแม้จะมีเพื่อนมาชวนให้ไปทำอย่างอื่นก็จะปฏิเสธไปได้เพราะเราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะมาวัดเพื่อมาทำบุญนี่คืออธิษฐานบารมี คำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ได้เป็นการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราเข้าใจกันคำว่าอธิษฐานนี้จึงมีสองความหมายความหมายทางโลกกับความหมายทางธรรมมีความต่างกันความหมายทางโลกก็หมายถึงการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นตอนนี้บ้านเมืองวุ่นวายไม่สงบ เราก็อธิษฐานขอบารณีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ทำให้บ้านเมืองของเราสงบแต่นี่ไม่ใช่เป็นความหมายของอธิษฐานทางธรรมที่เรียกว่าอธิษฐานบารณีทรงธรรมนี้เราท่านไม่สอนไม่ให้เราขอเพราะขอนี้ก็จะเป็นเหมือนขอทาน อาจจะได้อาจจะไม่ได้แต่ถ้าทำเองจะได้อย่างแน่นอนว่าพุทธศาสนาจึงสอนให้เราทำไม่ได้สอนให้เราขอให้เราทำเหตุที่ดีแล้วผลที่ดีก็จะเกิดตามมาเหมือนกับชาวนาที่ไม่นั่งขอเทวดาให้ส่งข้าวมาให้ชาวนาเขาต้องขยันทานา ไถานาหว่านแล้วก็ปลูกข้าวแล้วก็ไม่นานข้าวก็จะออกรวงให้ถ้าชาวนานั่งขอจากเทวดาขอให้เทวดาส่งข้าวมาให้ขอไปจนวันตายก็จะไม่ได้ข้าวอย่างแน่นอนเพราะการขอไม่ได้เป็นเหตุนั่นเอง เหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนาก็คือการกระทาของเราการกระทาของเราจะทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการกันแต่ก็มีสิ่งที่เราต้องการแต่ไม่อยู่ในวิสัยของเราขอไปอย่างไรหรือทำอย่างไรก็ไม่ได้ก็มีเช่นเดียวกันเพราะ มีสิ่งต่างๆหลายอย่างด้วยกันที่ไม่อยู่ในความสามารถของเราที่เราจะควบคุมบังคับได้เช่นฝนฟ้าอย่างนี้เป็นต้นเราไม่สามารถทําให้ฝนตกได้หรือทาให้ฝนหยุดได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในวิสัยของพวกเราเช่นเดียวกับเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองของเรา เราก็ไปบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราไม่ได้เราอยากให้บ้านเมืองสงบไม่มีเรื่องวุ่นวายแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะทำได้แต่สิ่งที่เราทำได้นั้นเราไม่ค่อยทำกันก็คือการทำใจของเราไม่ให้วุ่นวาย ตามไปกับเหตุการณ์รุ่นวายต่างๆเราสามารถควบคุมบังคับหรือสอนใจของเราให้สงบให้นิ่งไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะทำกันเพราะถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้สงบได้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็จะไม่มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเราจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายท่ามกลางความเดือดร้อนความวุ่นวายต่างๆรอบตัวของเรานี่คือความวิเศษของบุญบรารมีถ้าเรามีบุญบรารมีแล้วจะสามารถรักษาใจของเราให้สง บ, บให้สบายได้ ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการสร้างบุญบารมียิ่งกว่าการสร้างสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่อาจจะอยู่กับเราไปตลอดก็ได้หรืออาจจะจากเราไปก่อนก็ได้ หรือเราอาจจะจากเขาไปก่อนก็ได้เพราะเราอยู่ในโลกที่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในขณะนี้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น แต่ไม่มีใครสามารถควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นได้เพราะเหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นผลที่เกิดจากปัจจัยต่างๆด้วยกันหลายอย่างด้วยกันที่ไม่อยู่ในวิสัยของพวกเราที่จะไปควบคุมบังคับได้ดังนั้นเราอย่าไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ เพราะจะทำให้เราวุ่นวายใจเพราะเราทุกคนอยากจะให้ได้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนากันแต่เราอยู่ในโลกที่ไม่สามารถให้สิ่งที่เราปรารถนากันได้เสมอได้บ้างบางเวลาบางครั้งบางคราวแล้วในที่สุดเราก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในชีวิตนี้ ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเวลาที่เราตายไปร่างกายนี้เราก็ยังไม่สามารถเอาไปได้เราก็ต้องทิ้งร่างกายเราไปสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญบรารมีหรือบาปกรรมที่เราได้ทำกันเอาไว้ถ้าเราเอาบุญบรารมีไป เราก็จะไปดีเราไม่ต้องไปใช้ใช้หนี้ไม่ต้องไปแวะที่อบายเราสามารถไปรับผลบุญบา ร, รมีในสวรรค์ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ต่อแล้วก็มารับบุญบา ร, รมีที่เราได้ทำไว้ต่อคือชีวิตของเราเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่ ก็จะดีกว่าเดิมเช่นพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีในแต่ละภพในแต่ละชาติชีวิตของพระพุทธเจ้าที่ตามมาในแต่ละภพละชาติจะมดีขึ้นตามลาดับไปจนถึงขั้นสุดท้ายคือเมื่อได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะและได้ออกบวชจนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ได้ถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเหตุนี่เป็นผลที่เกิดจากบุญบา ร, รมีทั้งสิบประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญอย่างวันนี้เราก็ได้มาบำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีคือการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นในคขมะบา ร, รมี ก็คือการออกบวชหรือการถือศีลของนักบวชเช่นผู้ที่ถือศีลแปลน่นี้เรียกว่ากำลังเจรเนกขัมมะบรมีคือจะสารวงตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นล้นโผฏฐพะเพราะความสุขทางรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐพะนี้ ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่เป็นความสุขแบบยาขมเคลือบน้ำตามีความสุขเคลือบอยู่เพียงเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความทุกข์กันผู้ที่หาความสุขทางรูปเสียงกิน่นรสโผฏฐพะจะมีความสุขเดียวเดียวแต่จะมีความทุกข์ทรมานใจตามมาเช่นผู้ที่ติดยาเสพติดหรือติด สุรายากเมาเวลาได้ดื่มสุราก็จะมีความสุขแต่มีความสุขเพียงไม่นานหลังจากนั้นแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาทุกเพราะเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดื่มเวลาเกิดความอยากดื่มสุราแล้วไม่ได้ดื่มก็จะมีความทุกข์กระสับกระส่ายกระวลกระวายนอกจากนั้นก็ยังมีความทุก ที่เกิดจากผลของสุราทำให้ร่างกายมีอายุสั้นลงมีสุขภาพที่เลวลงไปแล้วก็มีสติสัมปชัญญะที่ไม่สมประกอบเวลาดื่มสุราแล้วเกิดอาการมินเมาก็จะไม่มีสติที่จะสามารถควบคุมการกระทำได้ก็จะไปกระทำสิ่งที่เสียหายต่าง ม, มา แล้วก็ต้องไปใช้ใช้ความเสียหายด้วยวิธีการต่างๆางางถ้าไปทำลายทรัพย์ของผู้อื่นก็ต้องไปเชใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินที่ถูกทำลายไปและถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษนี่คือความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาจากการหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกาย ผู้ที่จเจริญเนคัมะมบารณีจะหาความสุขจากความสงบของใจด้วยการควบคุมอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพควบคุมใจให้สงบด้วยการภาวนาทำสมาธิทำจิตใจให้สงบ สินแปดนี้จึงเป็นทั้งสีนและเป็นเนื้อมมะบารมีศินแปดก็คือสินหบวกสีลอีก3สข้อด้วยกันคือสินข้อที่สานี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอพรรมจริยาคือจะไม่หาความสุขจากการล่วบหลับนอนกับผู้อื่นเช่นคู่ครองของตนเป็นต้นจะไม่หาความสุขจากการหลับนอนกับผู้อื่น จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปจะรับประทานอาหารเพียงพอต่อการอย่างอัตภาพคือไม่จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่หาความสุขจากการบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังความเพลงร้องรำทำเพลงหรือหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม และเครื่องสำอางที่มีกลิ่นหอมเป็นต้นจะหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบจากการระงับความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือระงับการมฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้นี่คือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกตามมาเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธ เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่ก็ตามก็สามารถหาความสุขแบบนี้ได้ว่าเป็นความสุขของใจถ้าหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายที่อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ ถ้าเกิดตาหูจมูกวิ้นกายที่กางไปก็จะไม่สามารถหาความสุขได้เช่นถ้าเกิดตาบอดไปก็ไม่สามารถหาความสุขทางดูหนังได้ถ้าหูหนวกก็ไม่สามารถหาความสุขจากการฟังเพลงได้ตอนนั้นก็จะทุกขทรมานใจเพราะเป็นเหมือนคนที่ติดยาเสพติดหรือติดยา ต, ดติดสุรา แล้วไม่ไม่สามารถที่จะเสกได้ใจก็จะทุกข์ทรมานแต่ถ้าถ้าหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบคือควบคุมใจไม่ให้ออกไปหาความสุขทางรูปสีกลิก่นรสผลทพาพแล้วก็สอนให้ใจสงบนิ่งด้วยการฝึกทาสมาธิควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวจะเป็นการบริกรรมพุโทโธไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ให้ควบคุมดูให้ใจอยู่กับลมหายใจให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธไม่นานใจก็จะสงบนิ่งแล้วก็จะมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรจะมีความอิ่มมีความพอ จะไม่อยากดูหนังจะไม่อยากฟังเพลงจะไม่อยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มีพลังมากมีอนิสงฆ์มากมีความสุขมากนั่นเองจะทำให้เบื่อกับการหาความสุขชนิดอื่นและอยากจะหาความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ก็จะมีความสนใจที่จะนั่งสมาธิให้มากขึ้นจะรักษาสิ่งให้มากขึ้นจะสร้างทานบารมีให้มากขึ้นแล้วจิตใจก็จะมีความสุขมากขึ้นความวุ่นวายน้อยลงไปความทุกข์ความกังวลจะน้อยลงไปและหมดไปเพราะใจไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นๆสิ่งภายนอกมา ให้ความสุขนั่นเองคนที่ยังวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆก็เพราะว่ายังอาศัยสิ่งต่างๆในโลกไี่ให้ความสุขนั่นเองยังอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพชนิดต่างๆมาให้ความสุขพอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพเหล่านั้นมีอาการไม่ปกติก็ไม่สามารถหาความสุข กับรูปเสียงกลิ่นลดผลทพเหล่านั้นได้ก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่สําหรับผู้ที่มีความสุขจากความสงบของใจจะไม่มีความวุ่นวายใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวจะไม่มีความหมายอะไรจะสงบหรือไม่สงบจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายจะมีหรือไม่มีจะขาดแคลงหรือไม่ขาดแคลง จะไม่เป็นปัญหาต่อผู้ที่มีความสุขจากความสงบของใจเราจึงควรที่จะให้ความสนใจต่อความสุขแบบนี้มากกว่าความสุขชนิดอื่นเพราะเป็นความสุขที่เราสามารถมีได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตายไม่ว่าเราจะแก่หรือจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายไปก็ตาย จะไม่สามารถมาลบล้างความสุขภายในใจของเราได้เลยนี่คือการสร้างความสุขในใจด้วยบารมีชนิดต่างๆอย่างที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้นั่นเองจึงขอให้ท่านจง ม, มีความศรัทธามีความเชื่อในการสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้เพราะเป็นเหตุที่ถูกต้อง ที่จะให้ผลที่ถูกต้องแก่เราก็คือความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญบรารมีนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา